อนาปฏิวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ569 1้ิกภิกษุรับนิมนต์ไว้2อภิกษุผู้เป็นไข้ 3. าภิกษุชั้นของเป็นเดนของภิกษุผู้รับนิมนต์ไว้หรือของภิกษุผู้เป็นไข้4ีภิกษุชั้นอาหารที่เขาจัดไว้เพื่อภิกษุอื่น5้ภิกษุชั้นอาหารที่เขานำจากเรือนไปถวาย6กภิกษุชั้นนิตยพัฒน์เภิกษุชั้นสลากพัฒน์แภิกษุชั้น ปักขีกัพัท9พิสูจชั้นอุโบสถีกัพัต10ภิสูจชั้นปาติปะทิกัพัท11พิสูจชั้นยามากาลิกสัตตหากาลิกหรือยาวชีวิกที่เขาถวายบอกว่าเมื่อมีเหตุจำเป็นก็นิมนฉันเถิด12ภิสูุวิกลจริต13พิสูจต้นบัญญัติปาติเทสนียสิขาบทที่3จบ